<c oughs> นะก็ฟังธรรมกันเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบ ชีวิตเราก็เป็นประโยชน์เวรเราก็เป็นประโยชน์แต่เราไม่ศึกษา แรงผลกระทบสิ่งอื่นวัตถุอื่นจึงจําเป็นจําเป็นหลายๆอย่างไม่เหมือนสักประเภท มันมีผลกระทบส่วนรวมถ้าเราทำดีถ้าเราทำชั่วมันก็มีผลกระทบส่วนรวมส่วนกับชีวิตของเราถ้าเราทำดีมีผลกระทบส่วนรวม <c oughs> ในวิธีปฏิบัติการเลิกความชั่วการทําความดีการทําจิตให้ เมื่อเราจะอาบน้ําให้ร่างกายสาดต้องอาบน้ําถูสบู่ความสะอาดต้องเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันทําสร้างสติมาเป็นเป็นเรื่องที่ <c oughs> เอาตามรอยตามรอย 3,000 ปีแล้วคําสอนของพระองค์ เรื่องบุญก็เป็นเรื่องของชีวิตเราบวรก็เป็นเรื่องของชีวิตเราเป็นเรื่องของกายของใจเราเรื่องสวรรค์นิพพานก็เป็นเรื่องของกายของใจเราเรื่องบาปเรื่องนรกเปรตอสุรกายสัตว์ มาสร้างมาประกอบถึงมาให้เวลาแก่ชีวิต ดูแลตนอ่าตายไปแต่วางชีวิตต่อเป็นทุกข์เป็นคน ให้เป็นบุญให้เป็นกุศล เวลาใดมันหลงเอามีความรู้สึกกลัวความหลงก็หมดไปทันทีออกไปต่อไปความโกรธก็หมดไปทันทีความ <c oughs> เมื่อเราท่านทีทุกคนมาทําความดีมาปฏิบัติธรรมละปิชอบตัวเองคนในโลก เป็นต้นต่อที่สุดสําหรับวิวัฒนาการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราการสราญ ออกไปในคนกระทบไปหลายอย่างสิ่งแวดล้อมหลายอย่างวงจรหลายอย่างเป็นๆเห็นความหลงอะไรที่มันจะใช้ออก ออกมา ความคิดฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยปยาบาทตัวนี้น่ะมันๆว่าจะมีนั่น นั่งอยู่ตัวอย่างที่จะสร้างเอามาเกิดความง่วงขึ้นมาน่ะรู้กันว่ามันคืออะไรความง่วงมันจะมีกับเราไหมเราว่าจะทําความดีว่าจะให้ ไอ้วันนี้สติมันไม่เอามันจะเอาขัวงัวมาทับมาถมเอาก็ยาม ตอนคืนแล้วยังนอนไม่หลับหลับก็ฝันไป มีอยู่หมดมั้ยของโกรธๆแล้วมันอะไรนะดูสิประเสริฐอยู่เช่นนั้นหรือชีวิตเรา หรือเกิดมาทุกข์ก็งอโกรธจนตายหรือมาทุกข์จน รักคนทั้งโลกรักทุกสิ่งทุกอย่าง ความโลภความหลงความวิตกกังวลสมองเรียกว่าไม่ได้ชีวิตชีวิตตกไปเป็นอื่นไปแล้วออกที่ไปเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกไปในละชา ออกปฏิเสธความผาสุกอยู่เย็นเป็นทุกข์ก็ไปๆไม่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเรามาดูจริงๆหรอกมีแต่มาใช้ชีวิตชีวิตต้องไม่เป็นอะไรคนที่โกรธก็ตายจากความไม่โกรธคนที่ทุกข์ก็ตาย ไอ้ตับความฉลาดมันอยู่ตรงไหนกันชีวิตเราเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับโดยให้จิตใจคิดเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ยาวไปอยู่กับความคิดตลอดเวลาก็ซากลากดึงเราไปมันอยู่นี่มันอยู่กับเราหรือเปล่าฉลาดนอน ท่านจึงมาโอ้หอยเหิมความคิดตัวเองนี่โธๆแตกๆท่วมมุกมุ่นคนคิดไปทั่วไปจุ่ม <c oughs> โลกกับเมื่อกับตัวหรือเปล่ามาดูตั้งรับรูปามีที่ตั้งเอา ถ้ามันลงไว้ดังอื่นก็เอากลับมา อามะเนะมันเป็นดุ้นเป็นก้อนจริงๆมันก็มีจริงๆ5 นิ้ว 10 นิ้วเอามาสร้างความรู้สึกตัวด้วยมือของเราด้วยเท้าด้วยขาด้วยกายด้วยใจของเราด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก่อนสิ่งเหล่านี้มันเป็นอื่นไป โอระเอาอะไรอย่างอื่นไม่ได้เอาหูหูจมูกลิ้นกายใจเอามาสร้างเป็นความรู้ ไปวิตกสงวนไปรักไปชังไปยินดียินร้าย<ก> มันก็เห็นใจเห็นรูปเห็นตามเห็นขันธ์หน้าเห็นเวทนาที่มันปวดมันเมื่อยมันสุขมันเห็นสัญญาที่มันมันดีๆก็เกิดรักอยู่ <c oughs> แล้วแกนน่ะวังก็จนพูดออกว่าว่านักปฏิวัติเขาจะไม่มีคําพูดอย่างนี้ต้องมั่น <c oughs> เรา 글로 ความมั่นใจอยู่ในฐานะของความเป็นลูก มันจะหมดประโยชน์หมดพิษเกิดความสงบร่มเย็นจะน้อยกว่ามีผลกระทบต่อ เรามีรัฐธรรมนูญเรามีประชาธิปไตยแต่ว่ามันก็ยังเข้าไม่ถึงความสงบร่ม เป็นโลกยังเป็นดามเป็นสิงห์เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลอย่างไรเป็นสวรรค์อย่างไรเป็นนิพพานอย่างไรต้องเป็น เองเนี่ยธรรมะนําเรียกออกจากความชั่วในเผาสุกกี่สุกสเสือฉละ สุกก็ไต่ต้นปีนป่าแล้วก็ตกลงมาอีกทุก <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมาคือชีวิตเราอะไรคือศาสนาถ้าจะมีคนถามว่าหรือศาสนาอะไร ให้ประโยชน์อะไรเราได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาอย่างไรอ๋อจะตอบไปได้เลยแล้วมันก็อัลลายกันพูดเราถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ย ต่อทั้งที่เราระวังสำรวมมีวัฒนธรรมทำไปทำไมทำไม เขาเป็นคนดีไม่ได้เบียดเบียนใครทําไมเขาจึงมาเบียดเบียนเราทุกข์ก็เกิดนั่น มันหลงไปตามอื่นกลับมาเห็นกายอยู่บ่อยๆเห็น เย็น <s> มือเรานี่ไปตีลูกเป็นไหมไปลักไปขโมยเป็นไหมผิดศีลเป็นไหมมือนี่ที่เป็นลูกเนี่ยแต่ตัวบทกฎหมายปรับโทษฆ่าสัตว์ลักชับ ห้ยอมไปตีลูกบ่ฮะไปแล้วให้มันพาไปตีลูกเอายัง โดยดีๆมือนี่มันทําอะไรไม่เป็นหรอกปากคนลูกมันเป็นลูกเป็นน้ํามันต้องมี แล้วลูกคนพูดกันโอ๊ยอีแม่นี่ตีลูกก็เป็นถีดอกยักๆพ่อแม่ตีลูกก็เป็นนี่แหละบางคนก็ในบ้านของพ่อน่ะสามีมอง หมอโกกมองหน้าแม่ยกมาแล้วยกมาแล้วหนีๆๆลบๆเดี๋ยวถูกลูกหลงอยากไปเห็นยักษ์มั้ยฮะโยมเคยเห็น น่ากลัวมั้ยไม่ต้องกลัวยักษ์อยู่ที่วัดแก่ลูกเนี่ยต้องไม่มีความหลงเกิดขึ้นมันก็ไปทําชั่วไปตีลูกไปลักไปขโมย เป็นโลภเนี่ยโลภดอน่ะเป็นเล่าก็ไม่เป็นดอกโลภน่ะสุภุลิ คงจะหลงขึ้นมาโอ้กลับขึ้นมาแล้วมันยังไม่ไปทําอะไรเลย เห็นนามก็เห็นจิตใจไม่เอานามไปคิดชั่วอ่าต้นตอมันอยู่ตรงนี้ นามตัวนี้นําพาไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนาม บอกกันพอได้เปียเป็นเทวดาได้ผัวเป็นเทวดาผัวค่อยใจดีๆเมียค่อยใจดีๆเนาะอาศัยได้มองเห็นหน้าผัวเห็นหน้าเมียอุ่นใจห้องเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ไปเป็นคนดีนั้นอุ่นใจ ไปเยือนคําผู้ก็เยือนใจแล้วอ้าว <c oughs> ศาสนาไม่มีนิพพานแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาความเย็นใจไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีพิษมีภัยต่อใคร <c oughs> เราจะสร้างความรู้น่ะเอากายให้ไปตุ่มไปติดเอ้ารู้เอารู้เอาเจ็บเอาเจ็บเอาขยันรู้สักหน่อย ถ้ามัน เราทํากับมือเรามวลเราทําอาหารการกินทําหวานทําเปรี้ยวทําเผ็ดทําเค็มเอานี่มาใส่เอานี่มา <c oughs> เอาครามต้นครามอยู่กับดินกับฝาธรรมดามันก็ไม่มีนะผ้าเค้า เอ่อถ้ากับกัดงูกัดเอาพญาราชดำมาผนใส่น้ำมะนาวเอาไปทาแผลที่ถูกสัตว์กัดต้อย <c oughs> ถ้าว่าท่านอย่ามาไหว้ที่ เพราะข้าพเจ้าไปสวรรค์ แม้แต่พระเจ้าโสภณนาถได้สร้างวัด 100 วัดมาพูด ถ้าถามว่ามีบุญหรือยังทำบุญคือสิคือแต่คือคือจังซั่นล่ะ ลูกเปลี่ยนความโกรธเป็นความดีบุญแล้วเวลามันจะโกรธโอ๊ยเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่เป็นบุญของเราแล้วทำบุญแล้วแล้วคนอื่นโกรธอยู่ไปห้ามเขาโอ๊ยอย่าโกรธเด้อพ่อเอ้ยอย่าโกรธเด้อแม่เอ้ยเอามือลูบหน้าโอพ่อโอ๊ย ทำบุญแล้วบุญแล้วทําพูดคือทําความดีอาจจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองการเวลาเสียเงินเสียทองก็ไม่โอกาสธรรมดาเพื่อ ทางป่าทางโลกการไปเทศนั่งบนขันนาไปนั่งเทศโยมนั่งอยู่บน ตาหลวงพ่อจะบอกเป็นดุ้นเป็นข้อหมดใจดีนี่แหละมันเป็น อะไรโคศนาไม่ใช่อะไรเลื่ออะไรอะไรมาบอกกันตรงๆมาทํากันจริงๆ ทำความชั่วจะไม่ใช่รูปทําความชั่วแล้วป่ะแต่ละความ กับใครให้ไปพยาบาลเบียดเบียนไปแม้มันยังมีอยู่หยุดมันได้ควบคุมได้นี่เรามีศาสนาวะเนี่ย เห็นแกล้งกับใครกับใจเราอะไรที่มันเกิดในทาง เราทำบุญอยู่ที่นั่นอ่าทำบุญเบิละความชั่วทำความดีอ่าทำบุญเนี่ยก็อาจจะ ผู้มีภรรยาก็อ่าทำดีต่อภรรยาผู้มีสามีก็ทำดี มีโอกาสก็ช่วยคนอื่นคนอื่นไม่ <c oughs> ชีวิตคงตนให้ไปทางทางทางที่ดีได้มีศาสนามีศีลซึ่งเอ่อพระซึ่งภาอาศัยศีลได้ กระทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิจกระทำร่วมรักษาผู้ประพฤติธรรมให้ตกไปในที่ชั่วขอได้อานุภาพในรูปในนามเป็นอย่างนั้นไม่ตกไปในที่ชั่วศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วย ความโกรธเข้าถึงเนื้อไม่มีไม่ก็ถึงเนื้อถึงตัวแรงจับก็ถึงเนื้อถึงตัวปรานีเราไม่มีที่อาศัยมีบุญมีกุศลมี นิสสิญมีสมาธิไม่ใช่เป็นคำพูดอ่ะเป็นตัวปฏิบัติเป็นแต่ความรู้สึกตัวหายใจก็รู้สึกตัวขึ้น ถึงที่สุดญาณก็ย่อมมีเป็นก็ทะลุทะลวงอือคนมีญาณมีปัญญาในเรื่องของชีวิตมันจะหลงได้ยังไงมันจะทุกข์ได้ยังไงมันจะโกรธได้อย่างไร แต่มันก็ไม่อยู่ที่ไหนมันก็ แล้วรู้สึกตัวน้องอยู่บนรถเมย์ก็กระดิกนิ้วรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกพอเกิดอะไรขึ้นก็ หัดมีหัตถ์ผ้าหัดย้อมผ้าเมื่อเป็นแล้วก็ทําไปเองหัด แต่หักจิตของเราเนี่ยมันพร้อมอยู่ทุกโอกาส โปรดให้ได้ยินได้ฟังเอาไว้ต่อไปห้องไปแวะถึงใดผมหน้าครบตาทํานงไปอ่าสร้างลงไปมันก็ได้ทัน อ่าปฏิบัติอ่าเราก็หาตัวเองอาจจะไม่ต้องให้ๆไม่ชอบให้ใครบังคุม จะช่วยจะดีก็จะสู้คนเดียวนะไม่ไม่ชอบความเป็นกลุ่มเป็นหมู่ วันที่ 29 จะมีคณะแพทย์ชีมา 10 รูปอ่ะเอาก็สมควรเจเวลาสําหรับวัน sāvaka to khakha vata dhammo dhammaṃ panno